สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99เดี๋ยวเราจะมาติดตามฟังเรื่องต่อไปครับสายต่อไปเป็นสายของพี่เด่นครับพี่เด่นจะมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ ในสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งครับใช้ชื่อเรื่องว่ารีสอร์ทสายปฏิบัติเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่สามของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของพี่เด่นครับสวัสดีครับพี่เด่นสวัสดีครับพี่แจ๊คครับครับผมเดี๋ยวถามเรื่องของสุขภาพก่อนสบายดีนะพี่เด่นเพิ่งจะหายป่วยไปไม่ถึงอาทิตย์นี้นั่นไงเออหักโหมเยอะทางานหนักดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะ ใช่ครับตั้งแต่ตั้งแต่ฮารุวีนมาผมก็ป่วยมาสักพักใหญ่กันใช่ใช่ไหเพราะว่าช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงแบบอู้หลายอย่างนะครับเพราะว่าพี่เด่นนี่ทํางานเกี่ยวกับนี่เลยฮะวงการบันเทิงเกี่ยวกับช่องทีวีช่องหนึ่งก็แล้วกันนะฮะพี่เด่นมาว่ากันถึงเรื่องนี้เรื่องที่บอกว่าเป็นรีสอร์ทสายปฏิบัติเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่เด่นเองป่ะเออจริงๆเป็นเรื่องของทีมงานครับแต่ ความจริงแล้วเนี่ยมันต้องมีผมอยู่ในนั้นด้วยครับแต่อย่างอย่างที่บอกพี่แจ็คก็คือเรื่องมันเกิดมาเมื่อประมาณรักสามสัปดา์ที่แล้วครับผมไม่สบายไม่ได้ไปก็เลยไป ไ, ไปร่วมกตากรรมกับน้องๆโชคดีอะ่ะโชคคุณ้วนโชคดีก็ไม่เชิญแต่จริงๆก็อยากร่วมกิจกรรมอปะนะครับครับแสดงว่าน้องๆเขาไปเจออะไรมาก็ไม่รู้เดี๋ยวมาเล่าให้พวกเราฟังหน่อยเชิญเลยฮะพี่เด่นอ่าครับก็คือเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อสักประมาณสามสัปดาห์ที่แล้วนะครับครับ พอดีว่ามีพ yeah. well, so ี Ты, mm. ่ท่านหนึ่งเนี่ยจะเป็นพี่ที่ทํางานนี่แหละครับในวันนั้นเนี่ยแกก็โทรมาหากลางดึกแต่ด้วยความที่ผมเนี่ยไม่สบายจะก็เลยไม่ได้รับสายว่าอผ่านไปเสาอาทิตย์นั้นผ่านไปนะครับก็มาวันจันทร์ผมก็มีโอกาสเจอพี่เขาตอนเช้าทันทีที่เจอกันเนี่ยพี่เขากเรียกบอกเฮ้ยมีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตได้เลยเนี่ยนะครับ ก็คือว่าปกติพี inan? ่เขาเนี่ยจะไม่ห้อยพระแต่วันเนี้ยห MM. ้อยออกมานอกเคือชัดเจนมากผมผมก็ถามเลยทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าทำไมถึงนี้ห้อยพระเขาบอกว่าก็อกิจกรรมที่ทีมงานจัดกันนั่นแหละคราวนี้เข้าเรื่องนะครับพี่ไอย ที่คนนี้เออเรื่องเรื่องที่ผมฟังมานี่ก็คือฟังทั้งพี่คนที่ที่ทบอกมันจะพู่นะครับแล้วก็ทีม ง, งานที่ไปในวันนั้นแล้วก็ได้ประสบพบเจออะไรบางอย่างนะครับอือืมอ่ากิจกรรมเนี่ยจัดขึ้นไม่ใก่จากกรุงเทพมากนักนะครับจัดขึ้นที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งอ่ารีสอร์ทแห่งเนี้ยอยู่ริมน้ํารับนะครับค อ, อ่าคราวนี้เนี้ยอ่าช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมเนี่ย เราก็ไม่ได้ว่าเป็นกิจกรรมแบบว่าเขาเรียกยังไงอินกับทฤษฎีมากนะเราเน้นไปเที่ยวผ่อนคลายครับนะครับจริงผมก็ควรจะต้องอยู่ในกิจกรรมนั้นแต่บางเอิญไม่สบายคือจุดมุ่งหมายของกิจกรรมนี้ก็คือจุดมุ่งหมายของเขาประเด็นคือจะให้ไปปฏิบัติธรรมแต่แน่นอนว่าพนักงานหรือว่าคนที่ไปอ่ะไอ้เรื่องปฏิบัติธรรมอ่ะอาจจะมีในใจอยู่นิดนึงแต่อยากจะไปพักผ่อนไปเที่ยวกันมากกว่า อย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมปฏิบัติธรรมไม่ได้อยู่ในในในรายการที่ต้องต้องมีมาตั้งแต่แรกเลยครับกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อบันเทิงอย่างเดียวอผ่อนคลายอย่างเดียวนะครับไปอนั่งดื่มนั่งกินแล้วก็พูดคุยสังสรรค์แล้วก็เหมือนจบบลักษณะเหมือนว่าเซตทีมให้ให้มันสนิทเชื่อขึ้นนะครับอโดยกิจกรรมนี้จัดที่รีสอร์ทที่แจ้งเทพอันนี้ ถึงเวลาน้องๆก็ไปจากกิจกรรมเป็นปกตินะครับทันที่คนที่ว่าที่ที่บอกว่าเจอเนี่ยนะครับอขออนุญาตใช้ชื่อพี่ว่าพี่ปอละกันนะครับพี่ปอเนี่ยแกก็ขับรถตามไปทีหลังนะครับไปถึงช่วงเวลาก็สักประมาณสี่ห้าโมงเย็นละแกไปถึงแกก็เห็นน้องๆกาลังเล่นดนตรีนั่งดื่มนั่งกินอะไรกันนะครับแกบอกเฮ้ยเดี๋ยว ที่ว่ามีกิจกรรมที่เพิ่มกิจกรรมให้อีกอย่างหนึ่งดีกว่า อ, ทอะะืที่ปอนะฮะพี่ปอก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวเ อ, เอาไอ้กระป๋องเครื่องดื่มที่พวกเราดื่มเนี่ยคไปวางเลยไปวางร ะ, ระยะประมาณสักห้าสิบเมตรออืแล้วเดี๋ยวเอาหนังกระติ๊กเนี่ยออืยิงกันครับนะับยิงกระป๋องที่ว่าเนี่ยชายยิงล้มจะได้เงินรางวาัลจากที่ปอค พี่ปอเขาจะเป็นสายเปย์นหน่อยเขาก็เซ็ตไว้ว่า เ, เดี๋ยวยิงล้มเนี่ยจะได้เท่านี้เท่านี้นะยิงหมดจะได้เท่านี้เท่านี้นะอะไรเงี้ยนะครับที น, นี้ไอจุดที่ยิงเนี่ยมันเป็นเหมือนอกองดินและหญ้ามันขึ้นปกคุมนะครับ<ห>แล้วก็แล้วก็เอากระป๋องไปวางวางวางวางแล้วก็ยิงะ<ห><ห>ระหว่างที่น้องๆกําลังยิงแข่งขันกันเลยนะครับพี่ปอเนี่ยแกก็รู้สึกว่าแกได้กลิ่นฉี่ตลอด ือค hmm. ือเหม็นฉี said, husband, ่เหม็นฉุนนะครฉุนคือฉุนฉี่เลยอ่ะครับนักเรียว่าเป็นฉุนฉี่เลยแกนั่งตรงไหนแกก็บนตรงนั้นแล้วแกก็ถามน้องข้างๆตลอดว่าเฮ้ยได้กลิ่นปะแต่น้องบอกว่าไม่ได้นะพี่นี่ตอนผมไม่ได้กลิ่นนะอะไรเงี้ยแกก็ย้ายที่นั่งก็ถามอีกเฮ้ยได้กลิ่นปะน้องทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครได้กลิ่นนี้เลยครับอืมอันนี้แกก็รู้สึกว่าเออ้ ปแปลกๆทําไมแกถึงได้กลิ่นคนเดียวค่้งที่เ อ, อคนหนึ่งจะไม่ได้เป็นหวัดไม่ได้เป็นอะไรก็ปกติดีอะไรเงี้ยนะครับครับท่า น, นี้มีน้องๆส่วนหนึ่งก็ทยอยไปเล่นน้ําพึ่งน้ำเนี่ยมันอยู่พิกรีสอร์ทเลยจิบสงูงให้พี่บัตรดูแล้วนะครับก็ลงไปเล่นน้ําเล่นน้ํากัน <c oughs> พี่เสือก็ยิงหนากระติกกันอะไรเงี้ยเท่า น, นี้ช่วงเวลามันก็มืดลงแต่เพราะว่าพี่เข้าไปช่วงเย็นมากรับ <c oughs> พอมืดลง ทุกคนก็เริ่มเริ่มหยุดที่จะยิงแต่ก็ยังมีบางคนกลุ่มยิงก็ยังยิงเล่นกันนะฮะคอับคราวนี้เนี่ยเ อ, อไอ้น้องคนที่ยิงคนสุดท้ายเนี่ยมันต้องไปเก็บเพื่อตั้งใหม่ครับช <c oughs> ่วงเวลานั้นเนี่ยทุกคนบอกว่าลมสงบมาก mm hmm. มันมีบรรยากาศ แ, แปลกๆครับ <c oughs> คือทุกอย่างมันนิ่งสงบเสียงเงียบไม่มีเสียงแม้กระทั่งจิ้งหรีดร้อง mm hmm. นะครับก็ได้ยินแค่เสียงสายน้ําที่ไหลผ่านกันข้างเนี่ยข้างรีสอร์ทเนี่ยนะครับไอ้น้องคนที่ว่าเนี่ยก็เดินไปหยิบกระป๋องทันทีที่ก้มลงหยิบก็ใช่กระป๋องอ่ะมันเคลื่อนตัวหนีกักับไอ้ไอ้ไอ้กระป๋องหน้านนะใช่โอ้มันเคลื่อนตัวหนีไม่ใช่กลิ้งนะครครับไอ้กระป๋องที่มันหล่นอยู่แล้วมันตั้งอยู่ก็ลื่ถูกไหมฮะอ่มันเคลื่อนตัวหนีเลย พอจะเดินไปหยิบใหมมันเคลื่อนหนีอีก mm hmm. อทีแรกน้องเนี่ยเข้าใจว่ามันเป็นตัววิ mm ่ง hmm. เลนหรืออะไรเงี้ยวิ่งชนกระป๋องแล้วกระป๋องมันก็ดันไป mm hmm. แต่ดูอย่างละเอียดเลยเพื่อเป็นทุกกระป๋องที่พยายามจะหยิบ mm hmm. รวมถึงกระป๋องที่หยิบขึ้นมาวาง mm hmm. มันก็เคลื่อนหนีเหมือน ก, กันน mm hmm. ้องคนนี้ก็เอาละท่าไม่ดีเลิกเล่นเลิกเล่ น, ลน mm hmm. ก็หยุดเล่นกลับมาที่วง เล่นดนตรีด้วยกันขณะที่กําลังเล่นดนตรีกันอยู่เ mm hmm. อก็ะจะมีน้องๆผู้หญิงที่ไปด้วยนะครับสองสาคนก็ขอแยกตัวไปนอนก่อน mm hmm. ที่เหลือก็ยังนั่งกันอยู่นะฮะประมาณสี่กุ่มกว่า mm hmm. นะครับบางคนก็เพลียแล้วอยากไปพักอนะไรน้องคนหนึ่งที่กําลังจะเป็นน้องผู้ชายนะครับ mm hmm. ที่กําลังจะเดินกลับไปที่ห้องตัวเอง mm hmm. เหมือนก็เดินไปเอาของอะไรสักอย่างแล้วจะกลับมานั่งที่วงระหว่างที่เดินไปเนี่ย เออรีสอร์ทเนี่ยมันก็จะเป็นมันจะเป็นหลังเป็นหลังเป็นหลั ง, น, ลงลนะฮะแล้วก็จะมีช่องว่างระหว่างหลังที่เนี่อยู่หลังหนึ่งจะมีช่องว่างอยู่ที่เดียวนะจุดเดียวเลยที่มีช่องว่างอ่าก็อเอารถเข้าไปจอดมีพี่ปอเนี่ยแกเข้ารถเข้าไปจอดตรงนี้ น, ะอน้องคนที่จะเดินกลับเอาของเห็นผู้หญิงสองคนเดินกอดคอแล้วเข้าไปในช่องที่จอดรถแล้วก็หายไปเลยออื ก็เข้าใจว่าน้องผู้หญิงสองคนก่อนหน้านี้ที่ลุกขึ้นไปก็ไม่ได้คิดใจไม่ได้เอะใจอะไรนะครับอ่าน้องก็กลับมานั่งที่เดิมวันเวลาผ่านไปสักเวลามันก็ผ่านไปช่วงดึกแล้วนะครับพี่ปอก็บอกว่าเฮ้ยพี่ขอไม่นอนท้างพี่รู้สึกไม่ดีเดี๋ยวพี่ขอตัวกลับก่อนะนะครับพี่ปอกก็ขับรถกลับอืะระหว่างที่แชร์ขับรถกลับเนี่ยนะครับ แกเขรู้สึกเหมือนว่าแกไม่ได้นั่งคนเดียวแกเขารู้สึกแปลกๆตลอดทางและแกก็พยายามโทรหาทั้งผมทั้งน้องที่หน้า ง, งานด้วยด้วยเหตุว่าผมเป็นผู้ค้าบัญชางคนที่ฝ่ายฉันจะโทรเล่าให้ฟังอะไรประมาณเนี้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็จะโทรแล้วก็พยายามเกพยายามโทรหาน้องที่หน้า ง, งานตลอดเพราะว่ามันจะมีน้องคนหนึ่งที่ แต่เชื่อว่าน่าจะช่วยได้ก็สี่น้องคนเนี้ยเขาเคยเบวชมาหลายพรงษาพอสมควรนะครับเผื่อว่าจะปรึกษาหาหรือเรื่องพวกนี้ได้ก็คุยกันไปคุณยนมาแกขับรถมาบ้านแกอยู่เลียบถนนวิภาวาดีนี่แหละครับมันก็ค่อนข้างในเมืองนะพี่จ็กมันก็ไม่น่าจะมีความน่ากลัวอะไรใสงสบายมันก็เพียงพ อ, องในเมืองเลยนะฮะวิภาเนี่ย ใช่ในเมืองเลยฮะในเมืองเลยไม่ได้แบบวิพาทางลังสิกด้วยนะวิพาแทางในเมืองหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแกก็กลับมาที่บ้านบ้านแกก็เป็นลักษณะเป็นบ้านทาวน์โฮมอสามชั้นครึ่งอยู่ประมาณนะครับก็อยู่ในเมืองก็ค่อนข้างทันสมัยเลยอ่าแกก็ขับรถมาปุ๊บแกก็จอดรถหน้าได้แล้วขึ้นไปนอนกโดยปกติระหว่าที่แก น, นอนแกรู้สึแ ก, กสแปลกแปลก อ ย, อยู่ทุกอย่างมันก็เงียบสงบเหมือนที่แกเจอที่รีสอร์ทเลยมันเงียบมากนะครับแกก็ได้ยินเสียงแรกว่าเป็นเสียงเหมือนใครมาข้อกระจก hmm. ห้องนอนของแก hmm. คือห้องนอนจะเป็นกระจกแล้วก็สามารถเปิดออกไปด้านนอกได้นะครับแกแค่ได้ยินเสียงแบบนี้ hmm. อะไรสักอย่างมาโดนกระจกนะครับแกก็เอเปแปลกๆแกก็จะ ลุกขึ้นไปดูนะครว่ามัน ม, มีอะไรหรือเปล่าที่มาโดดกระจกอะไรแบบแต่ยังไม่ทันได้ลุกขึ้นดีพี่แจ็คมายถึงว่าจะลุกขึ้นนั่งนะฮะยังไม่ได้ลุกขึ้นไปเปิดกระจกอะไรแกได้ยิน<ฮ>เสียงอกิ่งไม้หรือต้นไม้หน้าบ้านแกนเนี่ยมันไหวแรงมากเหมือนมีพายุอะไรเงี้ยนะครับ<ฮ>แกเขาเอ๊ะตอนมาก็ไม่มีท่าทางหีืแววว่าจะจะมีพายุอะไรเข้านะครับแต่สันทีที่เสียงกิ่งไม้นั้น หยไหวนะครับ hmm. แกก็ได้ยินเสียงเป็นเหมือนเสียงฉัดป่าครับร้องเรีย่ย hmm. คือแกอธิบายว่าเสียงมันไม่เหมือนชนีนะชนีมันจะร้องผัวัวใช่ไหมฮะออื uh uh uh. แต่นี้มันจะโขยหวนกว่าผัวเยอะครับ hmm. ผมอธิบายไม่ถูกเพราะว่าแกก็อธิบายแบบประมาณเนี้ยนะครับ hmm. Hmm. แต่แกมั่นใจได้ว่าเสียงนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในหมู่บ้านที่แกอยู่เลยอืม hmm. hmm. แล้วเสียงมันค่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนจนเป็นเสียงคล้ายคนผู้หญิงมากใช่ไหมแต่ที่น่าแปลกผมผมคนลูกเลยที่น่าแปลกคือเสียงนั้นมาจากยอดไม้ที่ทอดเข้ามาใกล้ๆบ้านแก่ซึ่งไม่มีทางที่ใครจะปีนต้นไม้แล้วไปนั่งร้องอยู่ตรงนั้น และที่สําคัญคือเราปภเนี่ยเขาตรวจตาเป็นอย่างดีเพบอยู่บ้านนี้ค่อนข้า ง, างใหญ่นะตรวจตาตลอดเวลาซึ่งไม่มีทางที่จะมีโจรขโมยตีขึ้นก<ะ>ิ่งไม้แล้วมาล้องเป็นไปไม่ได้คืนแรกผ่านไปมันตรงคืนนั้นมันเสาอ์ะครับเ<ะ>อแกก็รู้สึกไม่ดีละแกก็ลุกขึ้นในในคืนเดิมนะฮะในคืนมาเสารแกลุกขึ้นมาเฉวดมนไป ส, า ส, ส่จนเสียงกั้นหายไปนะครับแล้วแกก็หลับไป เช่นคืนวันอาทิตย์เป็นเช่นเดิมพี่ะก็คือกิ่งไม้ไหวไหวไหวและก็มีเสียงมารู้หุตรงกระจกบะเบาเบาเบานะครับตามด้วยเสียงของสัตว์ป่าคล้ายๆชนิดจะบอกคล้ายๆชนิดและเสียงมันค่อยๆ เ, เ, เปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนเป็นเสียงผู้หญิงอีกเช่นเดิม อ, อยู่ตรงยอดไม้หน้าบ้านเลยนะครับ แกสัมผัสได้นันทีว่าไม่ปกติละแกก็ลุกขึ้นมานะครับแล้วก็สวดมนต์สวดมนต์สวดมนต์แต่คราวนี้เสียงไม่ได้หายไปเช่นเดิมครับอเสียงกลับดังขึ้นดังขึ้ น, นแต่ที่แปลกกว่านั้นคือคนในบ้านแกเนี่ยจะมีลูกสาวด้วยนะครับแล้วก็มีภรรยาด้วยอยู่ในบ้านค่อนข้างหลายคนเอ่ออยู่ในบ้านทั้งหมดห้าคนคไม่มีใครได้ยินเสียงนี้เลยยกเว้นแกคนเดียวมีพี่แค่ได้ยินคนเดียว ใช่พี่ปอแกิองคนเดียวนะครับแกก็สวดมนต์จนจนรุ่งเช้าเลยฮะพี่แจ็คแล้วเสียงมันก็หายไปเมื่อตอนพาทิตย์ขึ้นแกไม่ได้หลับไม่นอนเลยนะฮะแกก็รีบโทรหาน้องที่ไปรีสอร์ทด้วยกันที่บอกว่ามีเป็นเป็นเป็นเธอเดดมาหลายทางสาระนะครับก็โทรคุยบอกเฮ้ย พี่เจออย่างนี้นว่ะออันเนีนะ้น้องคนน่ะค่ะบอกพี่โอเคเดี๋ยวผมลองเช็คให้ว่าที่นี่มีอะไรอะไรเงี้ยครับคือน้องเหมือนจะมีเซนระดับหนึ่งนะครับอน้องก็เหมือนจะไปตรวจน้ำํำตรงบริเวณที่พี่ปอแค่จอดรถช่องระหว่างบ้านที่ผมเล่าให้ฟังใช่ใชไหมที่มีผู้หญิงสองคนเดินต่อคอเข้าไปครับครับอทั้งหมดสื่อสารกันแล้วว่าผู้หญิงสองคนนี้ไม่ใช่ สองคนที่ไปนอนก่อนหน้านี้ uh huh. เพราะว่าบ้านที่พักคนละทางเลยครับ uh huh. และผู้หญิงที่นอนเนี่ยเป็นผมสัน้นแต่ผู้หญิงที่กอดคอเดินเข้าไปเนี่ยเป็นผมยาว uh huh. น้องที่มีสอดก็จัดการตรวจสอบให้เลยครับ uh huh. ไปค้นหาเรื่องราวเหล่านี้หาข้อพิสูจน์ได้ได้ uh huh. ก็เดินไปยังจุดที่พี่ปอจอดรถ uh huh. ปรากฏ ว, ว่าพี่แจ็คมันเป็นทางตันคือเป็นป่ารกขึน uh huh. มาก uh huh. เป็นป่ารกทึบเลยครับแล้วก็มีช่องทางเดินแคบๆอยู่หลังห้องวิทเดียวนะซึ่งไม่มีทางที่คนจะกอดคอแล้วเดินเข้าไปได้มันจะต้องเดินเลี้ยงแถวเข้าไปถึงจะเดินได้ครับนะครับอันนี้อันที่หนึ่งที่คิดว่างั้นไม่น่าใช่พวกเรากันเองะครับส่วนอีกอันหนึ่งครับไปเค้นความจริงจากเอฟอนที่รีสอร์ทแต่ไม่ได้ความจริงอะไร ไม่กมากกว่าจานที่อ่าข้างหลังโรงแรมข้างหลังรีสอร์ทเนี่ยครับ<ข>เป็นสำนักปฏิบัติธรรมโอ้โหสำนักปฏิบัติธรรมคืออยู่ติด ก, กับหลังรีสอร์ทเลยอะฮะใช่ฮะที่จะลังรีสอร์ทและและทางที่สามารถจะเดินไปสำนักปฏิบัติธรรมนั้นได้อย่าบอกว่าก็คือใช่ทางที่ผู้หญิงสองคนนั้นเดินไปไอ้ทางเล็กๆแน่ น, นะใช่ฮะเป็นทางแบบเดินทะลุไปถึงสำนักปฏิบัติธรรมนั้นได้ ใช่ฮะแล้วสํานักปฏิบัติธรรมนี่มีความแปลกอย่างหนึ่งไม่ได้มีสาลาหรือไม่ได้มีอะไรนะพี่แจ็คมันเป็นลานโล่งๆแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่ตรงกลางที่ดินตรงนั้น่ะอืมแล้วคนส่วนใหญ่ก็คนที่ไปแบบปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับปฏิบัติธรรมก็จะไปนั่งสมาธิอยู่ตรงใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็บริเวณโดยรอบนใต้ต้นไม้ใหญ่นัเท่านั้นเองครับไม่ได้มีพระสงฆ์ประจำอยู่ครอีกจนทั้งหมดเนี่ย บอกว่าความจริงเนี่ยคงไม่ได้จากรีสอนนี่แน่แล้วเสร็จเลยไปหาความจริงคือทุกความที่คนเหล่าเนี้ยทํางานด้านนี้นะฮะด้านสืบสอบด้านค้นหาความจริงอะไรเงี้ยก็ไปค้นหาความจริงมาออืจากเขาเรียกว่าเป็นร้านค้าที่อยู่แถวนั้นอยู่ใกล้รีสอร์ทเลยก็ไปถามความจริงจากร้านที่ว่านะครับปรากฏว่าได้ความว่าอย่างนี้พี่ชาอรีสอร์ทเนี่ย เป็นป่าช้าเก่าเป็นป่าช้าเก่านะแล้วเจ้าของเนี่ยก็เหมือนว่าเขาเป็นเจ้าของที่เดิมดั้งเดิมเลยไม่ได้ซื้อต่อมานะครับแต่เจ้าของเนี่ยพอมีสตังค์จากการขายที่ที่ดินถัดไปเนี่ยก็เลยมีสตังค์มาทำรีสอร์ทที่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะครับพี่แจ๊คก็ให้ครับ นะฮะก็เลยมาสร้างรีสอร์ตตรงเนี้ยทับที่ป่าช้าออืแต่กันพื้นที่บางส่วนไว้เพื่อให้ปฏิบัติธรรมกันออืครับใช่ฮะเอาที่ป่าช้ามาทําเป็นอืรีสอร์ตแล้วก็กันพื้นที่ไว้สําหรับปฏิบัติธรรมเผื่อว่าจะแก้เค้นเรื่องของป่าช้าที่มาทํารีสอร์ตได้อืออะไรคิดอืครับใช่ืออแล้ว เ อ, อตรงบริเวณจุดที่น้องเอากระป๋องไปวางกันครั บ, รบหมั่นก็ไปลื้อกันเลยว่าออืมีอะไรปรากฏว่ามันเป็นจอมปลวกแที่มีหญ่าปกคุมจนมองไม่เห็นจอมปลวกออือต้องเดินไปด้านหลังครับของที่วางกระป๋องเนี่ยถึงจะเจอว่าเห็นว่ามันเป็นจอมปลวกอยู่เท่ากับว่าตอนนั้นนอกจากยิงกระป๋องแล้วแน่นอนว่ามันต้องมีการพลาดคือไปยิงโดนจอมปลวกด้วยว่าอย่างนั้นเถอะ ใช่ทีมงานก็คิดว่าแน่จะเป็นอันนี้ส่วนผู้หญิงสองคนที่ว่านะพี่แจ๊คอันนี้เป็นความเชื่อละกันว่าผู้หญิงสองคนเนี่ยครับเป็นเหมือนกับเจ้าที่ที่นี่แล้วเกิดความไม่พอใจในตัวพี่ปอมากๆก็เลยตามมาเอาเรื่องพี่ปอถึงที่บ้านที่เขาตามไปแสดงเสียง ไปทำอะไรให้เขารู้ว่าเนี่ยเขามาใช่คือเกิดความไม่พอใจใช่เพราะว่าด้วยความคิดที่แบบเป็นคนริเริ่มการละเล่นนี้ปะใช่ครับเปเริ่มเลยเป็นคนเริ่มเป็นคนออกไอเดียเลยว่าเฮ้ยอยากหาอะไรเล่นเลยเป็นคนเป็นขายเปรออกไอเดียเลยออครับเรื่องจากเรื่องมันจากเรื่องไม่คาดคิดอะใช่ครับแล้วก็ เอ่อส่วนใหญ่คนที่ที่ย้อนกลับไปที่เล่าให้ฟังมันจะพูดที่ส่วนใหญ่พวกที่เล่นยิงกระครองทุกคนเจอทุกค น, นครับ แ, แต่เจอแตกต่างกันออกไปเจอแต่ไม่ปรากฏเป็นเป็นตัวนะฮะก็ ม, มีคนที่เห็นผู้หญิงสองคนคนนึงมีคนที่สัมผัสได้ว่ามีอะไรบางอย่างไม่ได้นอนคนเดียวในห้องคนหนึ่งอะไรเนี้ยครับแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่ อยู่บริเวณรอบตัวเขาในน้ำตอนที่เขานั่งดด่นอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกแก้งปลาหินแก้งแกลงยิงแกงยิงหนังกระติกอะอันนั้นเลยเดี๋ยวผมถามหน่อยพี่เด่นใครเป็นคนเลือกไปพักรีสอร์ทนี้จริงๆเนี่ยมันมีหนึ่งในทีมงานเนี่ยบ้านเขาอยู่จังหวัดนี้นะครับแล้วก็ก็คิดว่าตรงเนี้ยมันโอเคมันเหมาะเพราะว่า มันอยู่ริมน้ําเรามีจิตจำเพิ่มเราซือมีจําเล่นน้าได้แล้วน้ําใสมากจน้องถ่ายมาดูใสมากใสจริงนี่สวยมากเอาโต๊ะลงไปนั่งดื่มในน้ําได้เลยอะคอยู่ไม่ไกลรุงเทพด้วยค่ะคือโหต่อให้สวยขนาดไหนแต่ตอนนี้เรารู้แล้วไงว่าตรงเนี้ยมันเป็นป่าช้าใช่จะกลับอีกมีน้องรอยความเป็นป่าช้าอยู่นะพีอแจ๊ครับก็มีพวก เศษร้าของโกรดเนี่ยที่โดนต้นหญ้าพวกเนี้ยปกคุมเนินดินที่มีลักษณะแปลกซึ่งไม่น่าจะมีเนินดินในบริเวณที่ด้านข้างของของตัวรีสอร์ทได้ไเดี๋ยวนะพี่หมายถึงว่าในอนาบริเวณรีสอร์ทนี้มันมีเหมือนกับเป็นโกรดใส่กระดูกเก่า<ช>อยู่ในนั้นด้วยหรอใช่แต่หญ้ามันปกคุมบังไว้ครู้ มันอยู่ในอยู่ในที่ที่มองเห็นได้ง่ายไหมครับสมมุติว่าถ้าสมมุติเอาญ้าออกปุ๊บเห็นชัดเลยไหมถ้าเอาญ้าออกเห็นหูใช่เพราะผมเห็นรูปที่น้องถ่ายมาให้ดู<อ>แต่ตัวรีสอร์ทถือว่าถือว่าก็สวยระดับหนึ่งครับใช่คผมเห็นห้องแล้วก็โอเคสวยระดับนึงแต่ว่า<อ>ทุกคนที่พักในส่วนใหญ่ร้อยละ ปแปดสิบกันละแขที่สัมผัสได้ ว, ว่าตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวมไม่ว่าจะเป็นเวลานอนเวลาจามน้ำคือส่วนมากถ้าสมมติว่ามันเป็นสถานที่ลักษณะแบบนี้อันแน่นอนว่าเราจะเคยได้ยินว่ า, าปลูกทับที่ป่าช้านู่นนี่นั่นแต่มันจะไม่มีร่องรอยอรารยธรรมของป่าช้าหลงเหลือให้เห็นแล้วนะแต่ทีเนี้ยมันดันมีไงใช่ เพราะมันเป็นแนวของสำนักปฏิบัติธรรมที่ว่าเราก็จะเห็นระหว่างรอยต่อสำนักปฏิบัติธรรมกับตัวรีสอร์ทที่ถูกแยกกันชัดเจนโดยเนินดินบางอย่างและก็เศษซากของความเป็นป่าช้าเก่า<ห>อะไรเียอหออันนี้มันไม่ได้เป็นที่แรกนะคุณผู้ฟังที่มีการเอาที่ป่าช้าเก่ามาสร้างเป็นแบบลักษณะแบบนี้เราเคยได้ยินกันมาเยอะนะครับโรงแรมอาพาร์ตเมนต์ที่พักหมู่บ้าน เยอะแยะไปหมดที่มีการเอาที่ป่าช้าเก่าอ่ะเอามาแบบเกลี่ยหน้าดินใหม่นะครับขุดศพออกไปแต่จริงๆแล้วเอาจริงๆนะว่าถ้าเป็นป่าช้าเก่าจริงๆอะส่วนมากอะศพจะเยอะขุดไม่หมดหรอกพี่เด่นใช่ผมผมก็เชื่อว่าไม่น่าหมดเพราะว่าที่ตรงนี้มันมันผมว่ามันน่าจะเยอะเยอะพอสมควรเป็จากทาเลแล้วนะครับครับอือ ยังไงต่อให้เป็นป่าช้าอย่างที่ไหนก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าตอนที่เขาล้างป่าช้าหรือขุดอะไรออกไปอะ่ะมันไม่มีทางหมดหรอกครับมันก็ต้องมีเศษซากอะไรที่มันยังต้องหลงเหลืออยู่ในนั้นน่ะอยู่ในนั้นอยู่แล้วแล้วก็สร้างที่ทับเข้าไปสร้างเป็นที่พักที่อาศัยแล้วก็จะมีเรื่องเล่าอย่างเงี้ยเล่าต่อๆกันมาว่าเนี่ยจะเจอลักษณะแบบนี้แล้วก็มารู้อีกทีหนึ่งมันเป็นป่าช้าเก่าแต่ที่เนี้ยหนักสุดคือ โอ้เฮ้ยโกรธยังอยู่มีเนินดินเหมือนกับหลุมฝังศพในสมัยก่อนอเราพูดอย่างนั้นก็ได้ใช่ฮะนี่ฮะคือต้องบอกว่าทีมงานใช้วิชาชีพตัวเองเป็นประโยชน์มากเลยนะใช่ข่าทุกอย่างเลยใช่นักข่าวคุณผู้ฟังเอาง่ายๆอ่ะสืบง่ายอยู่แล้วไงใช่หรือเป็นที่แรกอย่างบางคือคนพวกนี้เขาไม่ได้เป็นคนที่กลัวเรื่องพวกนี้นะะครับ ดังนั้นเขาคือรายการก็ไปถ่ายนู่นนี่นั่นพวกรายการสื่สองขันแล้วก็ถ่ายแล้วก็แต่ถ้ารู้เขาอยากรู้เขาก็จะคน้นจนรู้จนได้อะอะไรเงี้ยอืมครับจนสุดท้ายเนี่ยเราไปเช็คประวัติอย่างจนไข่นอนแล้วเนี่ยอืมการันตีได้เลยตรงเนี้ยคือสายซ่าเก่าที่ใหญ่ระดับเรียรกว่าจังหวัดก็ไม่นา่าแปลกใช่เออ ผมผมําวิธีการแก้เคล็ดเขาอ่ะเออเอาคิดได้ยงไงก็ไม่รู้นะครับดีนะพี่เด่นพี่เด่นไม่ได้ไปด้วยอะถ้าพี่เด่นไปมันอาจจะเป็นเรื่องเล่าของพี่ก็ได้ใช่เลือกระหว่างป่วยกับเรื่องของไปเจอเนี่ยผมว่าเลือกป่วยดีกว่าป่วยดีกว่าเออใช่ใช่ใช่เป็นความบังเอิญที่ที่ใกใล้ตัวมากๆครับเออคือเรื่องพวกนี้ยมันอยู่ที่จังหวะที่ดวงแหละ นะครับน้องๆเขาไปไปเจอไปเจอกันมาแต่แต่ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไ่ได้ด้วยดีใช่ไหมพี่เด่นใช่ใช่จริงๆอย่างนี้พี่แจ๊คก่อนหน้าที่น้องจะเดินทางกันแค่สัปดาห์เดียวเนี่ยแพลนเดิมค่อยไป strategic นะครับอืแล้วอยู่ๆท่าไหนไม่รู้นี่ไงมันมีคนมาบิ้วอืเฮ้ยที่นี่สวยทีนี่น้ำโอ้โหใสมากอยู่นีมเลยมีเคนพื้นที่คอยดูแลนี่ไง ไปกันเลยตัดสินใจแบบทิศเดียวเลยนะปุ๊บอ็ไปเลยนี่แลกที่เก่าแล้วไปที่นี่เลยถึงบอกไงว่านี่มันคือจังหวะมันคือดวงที่เขาจะต้องไปเจอนะครับแล้วไปกันไม่น้อยด้ยนะไปเยอะไปหลายคนมากครับหลายคนก็ไม่ไหวครับผมว่าเขาเยอะกว่าตรงนั้นนะใช่ๆนะครับโอเคได้ครับพี่เด่นนั่นคือเรื่องราวของรีสอร์ทสายปฏิบัตินะพี่เด่นนะนะครับเออพี่ชายผ เพิ่มติอนึงบนกอดผมให้ข้อมูลพี่บัตรไปแล้วเนาะเรื่องของตัวหนังสือที่เคยสอบถามกันมาอ่าที่ที่พูดถึงเรื่องของถ้าหลวงอ่าใช่ครับครับครถ้ำหลวงอืคือล่าสุดผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่บัตติดต่อมาแล้วผมบอกว่าผมปิดงานที่สัตหับผมก็ตรวจสอบอทั้งหมดให้แล้วนะพป่บัตรก็คือตัวหนังสือไม่ได้วางจําหน่ายนะะไม่มีวางจาหน่ายที่ไหนเลยไม่มีครับ อันี้ยืนยันว่าหมายถึงว่าที่ที่ศูนย์ของทางหน่วยเองก็ไม่มีไม่มีใช่สวัสดิการกองเรือรัชการไม่มีนะครับแล้วก็เออไม่ไม่ได้มีให้บุคคลทั่วไปเออยกเว้นว่าคุณจะติดต่อกับหน่วยงานราชการแล้วขอเพื่อเป็นความรู้อะไรเงี้ยนะครับอะไรเงี้ยไอเนี้ยได้ผมเชื่อว่าได้ก็ต้องทําเรื่องนั้นเข้าไปโอ้เนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องของระเบียบการเรื่องของอนุนี้นั่นเยอะแยะมากมายละ ใช่แต่เรื่องสยองขวัญในในหนังสือผมพูดคุยกับผู้ใหญ่หลายท่านแล้วไม่มีไม่มีเรื่องสยองขวัญต้องซือราชการไม่มีอยู่แล้วพี่เออน่าจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับองค์ความรู้เรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือคนวิธีการปฏิบัติเรื่องต้นอะไรแบบนี้มากกว่าใช่ไหมฮะขอดรถเรียนคขาดขาดรทเรียนแล้วก็เป็นประสบการณ์ให้ คนรุ่นถัดไปได้ได้พัฒนาต่อนะครับในการแกร้ปัญหาอะไรเงี้ยอเออเพิ่มเติมนิดนึงแจ็คเมื่อเมื่อเมื่อวานซืนเมื่อวานซืนสินะเมื่อวานซืน้อเลยกับเมื่อวานเนี่ยสองวันมาแล้วนะที่ถ<ม>้ำหลวงขุนน้ํานางนอนเนี่ยเปิดแล้วนะฮะพยาณเปิดนะะออืเปิดให้ให้เข้าชมบริเวณโดยรอบได้แล้วนะครับครับเอแต่ไม่ได้เปิดที่เข้าไปในถ้ำนะ ในถ้ำยังปิดอยู่อย่าเพิ่งเข้าไปเลยอ่าในถ้ำมันยังปิดอยู่นะฮะันยังปิดตามีเอ่อกรงรั้วอะไรต้นเนี้ยยังปิดอยู่เป็นประขายปิดไว้หมดเลยนะครับครับแต่ว่าก็เปิดพื้นที่โดยรอบอุทยานนะครับอย่างเช่นชัยอยากเห็นสามมรกรดไปดูนะครับใครอยากไหว้จักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นก็ไปได้นะครับไปขึ่นชมธรรมชาตินะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ของเซเวเนียเนี่ยล้นเต็มพุ้นที่แบบนั้วเออแล้วก็เร็วนี้เดี๋ยวจะมีหนังอีกนะเดี๋ยวจะมีหนังอีกนะนะครับอ่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวถูกต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับให้ให้ชาวต่างชาติคนทั่วโลกเนี่ยคในรู้จักก็ถือว่าเป็นเป็นอีกอผลประโยชน์หนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อประเทศเออนะฮะใครมีโอกาส แวะเวียนไปเชียงรายก็ไปได้นะครับที่ถ้ำหลวงคุณ้ํานางนอนนะเท่ากับว่าเรื่องของหนังสือจบกันตรงนี้นะคุณผู้ฟังไม่มีขายที่ไหนทั้งสิ้นนะใครอยากได้ต้องติดต่อราชการโดยตรงอประมาณนั้นโอเคได้พี่เด่นวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับที่มาเล่าเรืนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะดีดีครับพี่แจ๊คเรื่องมันอาจจะตูวสั้นๆเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่